สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องลี้ลับผมนายทหรคนชอบเล่าวันนี้จะขอหยิบยกตำนานเกี่ยวกับพรานท่านหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยฟังแล้วและหลายท่านอาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็มีความบันเทิงแฝงอยู่จึงอยากจะนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันดูนะครับเราฟังกันดูครับ เสียงใบไม้และกิ่งไม้ถูกย่ำและหักดังกราบแปรมาเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรแล้วไม่ใช่ใครอื่นใดชายเลอใบกลางคนคนนึงท่าทางธรรมัดมแมงพาร่างอันกระฉับกระเฉงของแกลัดลิ้วไปตามสุ่มทุ่มพุ่มไม้ดูจากการแต่งตัวก็ไม่จำเป็นจะต้องเดาให้ยากว่าแกประกอบอาชีพอะไรและเข้ามาในป่าลึกแห่งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรพรานบุญใช่แล้วนามของแกคือพรานบุญ แกมีอาชีพเป็นนายพรานหาของป่าและล่าสัตว์ขายตามภาษาชีวิตชาวบ้านตามชนบทมาหลายสิบปีแล้วบนเนื้อที่ของป่าหลายร้อยกว่าตารางกิโลเมตรสมัยก่อนถนนหนทางยังเข้าไม่ถึงไม่มีแม้แต่รอยทางเกวียนหรือรอยทางเดินใดๆในป่าดิบลึกเช่นนี้ก็แน่น่ะสิเพราะหากมีคนเข้าถึงความเจริญก็จะเข้ามาและพรานบุญแกจะมีกินมีใช้มีปัญญาเก็บหาของป่าและล่าสัตว์เพื่อประทางชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไง วันนี้ก็เหมือนอีกวันที่แกต้องออกหาล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าแต่ไม่เหมือนเช่นเคยเพราะว่าวันนี้สัตว์ป่าและของป่าเริ่มหายากมากขึ้นนั่นเป็นเพราะประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการด้านโภชนาการความเป็นอยู่ของชาวบ้านนั้นต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในเมื่อพื้นที่เดิมไม่สามารถหาได้แล้วแกจึงจาเป็นต้องขยายอาณาเขตการทามาหากินของแกให้กว้างขึ้น นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้แกต้องเดินไปไกลกว่าปกติเป็นธรรมดามากแกเดินเข้ามาครึ่งค่อำวันก็แล้วยังไม่ได้สัตว์เลยสักตัวแต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแกจึงหยุดพักเหนื่อยด้วยการจัดการกับข้าวหอที่เป็นสเสบียงมื้อกลางวันของแกอย่างอร่อยอร่อยพออิ่มหนาแล้วก็ยันกายลุกขึ้นและมุ่งหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วเดินมาสักพักให้มันได้ยินสิวะแกพูดด้วยเสียงที่ดีใจเหลือประมาณ เห็ดโคนขึ้นติดกันเป็นทิวยาวเหยียดกอปอนกับหน่อไม้และผละไม้ป่าอีกมากมายถึงจะมีรอยถูกกัดแทะจากสัตว์ป่าบริเวณนี้บ้างแต่ก็ยังมีเหลืออีกมากมายและเกินพอที่จะเก็บไปขายในตัวตลาดได้ค่อยคุ้มค่าเหนื่อยน้อยแกพูดด้วยน้ำเสียงที่มีกำลังใจมากขึ้นจากนั้นกวางของที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ลงเพราะมันยังไม่มีความจำเป็นในช่วงเวลาอย่างนี้แกหยิบย่ามและมีเดินป่าคู่ใจ ก้มหน้าก้ม ต, ตาเก็บเห็ดและหน่อไม้ป่าลงย่ามอย่างกุลีกุจอนั่นเป็นเพราะดวงอาทิตย์ก็เริ่มจะรับเหลี่ยมเขาเข้าแล้วเพล๋อวันนี้อาจจะแค่เก็บเห็ดกับหน่อไม้ก็เพียงพอแล้วต่อความต้องการสำหรับวันนี้ส่วนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แกนึกเสียดายมากที่เมื่อเช้าเกือบครึ่งวันมัวเสียเวลารอดักจับสัตว์ที่แหล่งเดิมซึ่งมันก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้เลยสักตัวนี่ถ้แกบุ่งหน้ามาที่นี่แห่งนี้เร็วกว่านี้แล้วก็คงได้สัตว์ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างกันแน่แท้ เมื่อกี้ตอนแกเข้ามานะ่ะเห็นเก้งตัวใหญ่ก้มกินน้ําอยู่ตรงริมลาําธารแต่ก็เพ่นหนีไปหลังไวๆด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่ระแวงระวังภัยเมื่อมีสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเข้ามาใกล้ตัวแกแงนมองดูทัศนียภาพรอบๆตัวหาต้นไม้ใหญ่ๆมาเหมาะสักต้นเพื่อโอกาสหน้าจะได้มานั่งร้านดักจับสัตว์แถวนี้บ้างระหว่างที่แกคิดอยู่นั้นเมฆฝนก็ตั้งเขามาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุี่แกรีบเก็บเห็ดโคลนต้นสุดท้าย จากนั้นก็เร่งรีบหาที่หลบฝนระหว่างที่หาที่หลบฝนอยู่นั้นแกแทบไม่เชื่อกับสายตาของตัวแกเองเลยกับสิ่งที่พบเมื่อแกได้พบสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะมีอยู่ในป่าดิบลึกเช่นนี้ภายในป่านี้มีวัดเก่าแก่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวัดร้างแกคิดว่าอาจจะเป็นวัดที่ไม่มีผู้คนอยู่แล้วก็ได้มั้งจึงตัดสินใจลองเข้าไปภายในเขตนวัดดูแกก็เจอเข้ากับกุฏิเก่าๆสามหลังสภาพมันผุซมซ่อเหลือประมาณ มีใครอยู่บ้างไหมมีใครอยู่บ้างอะเงียบมีใครอยู่บ้างไม่มีเสียงตอบยังคงเงียบเช่นเดิมแต่ก่อนที่แกจะสรุปว่าที่แห่งนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่เลยสับพันก็ต้องเปลี่ยนความคิดเมื่อประตูกุฏิหลังสุดท้ายปรากฏแสงเทียนขึ้นเรืองรองแกจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและหยุดอยู่หน้ากุฏิพอประตูกุฏิเปิดออกปรากฏร่างของพระสงฆ์รูปหนึ่ง รูปร่างผอมโซกับผ้าเหลืองจีวรเก่าเกะกรรมพร้อมกับเทียนไขในมือหลงทางมาลืยโยมเสียงของพระสงฆ์รูปนั้นเอ่ยขึ้นคราวขอรับมหาที่หลบฝนเท่านั้นนะครับอ๋อเรอะพระสงฆ์รูปนั้นซับน้ําหมากที่ปากก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงที่แหบพร่าเดินต่อไปอีกหน่อยนะที่ด้านตะวันตกนะ่ะจะมีโบสถ์อยู่หลังนึงไปหลบที่นั่นเถยโยมขอรับ นี่ก็ใกล้ค่ำแล้วถ้าอย่างไรฝนไม่หยุดตกโยมกับพักสักที่นั่นเลยก็ได้นะเออและโยมกินอะไรมาบ้างหรื อ, อยังล่ะนันน่ะอ๋อผมกินไปแล้วขอรับพระคุณเจ้าและก่อนที่พรานบุญจะพระตัวไปยังโบสถ์ที่พระรูปนั้นชี้พระรูปนั้นก็ทิ้งท้ายว่าโยมอย่างไรก็อย่าปิดประตูโบสถ์ให้แน่นหนานักละ่ะเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกกันนะเปิดหน้าต่างให้หมดเลยื้อยหญิงดีนะจะได้ระบายอากาศ มันเกา่าวซ่อมซอ้อโยมจะได้หายใจได้สะดวกขึ้นนะฐานบุญที่ยินก็คิดเลยว่าไม่เข้าถี่สแล้วแกเริ่มคิดฟุ้งซ่านถึงคำพูดแปลกๆของพระรูปนั้นและประกอบด้วยความผิดปกติวิสัยที่พระรูปเดียวจะมาอยู่สันโดษกลางป่ากับวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนอย่างนี้ได้ยังไงแกเดินคิดไปคิดมาแกก็เดินคิดจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์เป็นโบสถ์ขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะสภาพผุพังไม่แพ้กุฏินั่นเลย แต่ก็คิดแล้วก็ยังดีกว่าเหลือเฟือก็จัดแจงวางข้าวของสัมภาระลงแล้วก็ค่อยๆทิ้งกายนั่งลงอย่างถอนแรงคิดในใจว่าจะต้องนอนค้างที่นี่เป็นแน่แท้ความคิดยังไม่ทันจะสิ้นสุดลงสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาแก่รีบเดินตรวจตราประตูหน้าตา่างแล้วก็ล็อกมันอย่างหนานแน่นจึงวางใจก่อนจะทิ้งกายนอนด้วยใจที่ชื้นฟอเนิ น, นานเท่าไรไม่รู้ได้เมือ่อสายฝนเริ่มซาแล้ว แต่ก็ยังคงตกอยู่ประมาณเปาะแปะเปาะแปะกอกกอกกอกกอกแกสะดุ้งตื่นตามสัญชาตญาณของพรานไพรเสียงเคาะประตูโบส์ดังขึ้นแต่แกยังไม่วางใจเปิดใครมันจะมาเคาะเอาดึกดื่นป่านนี้แกนึกในใจกอกกอกกอกยังคงมีเสียงเคาะอยู่แน่นอนพรานบุญซึ่งผ่านชีวิตมาทึ่งค่อนคนแล้วจมรู้ดีว่า ในยามวิการเช่นนี้หากมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นอย่าได้พูดหรืออย่าทักเด็ดขาดก่อนที่แกจะทันพูดอะไรก็ปรากฏเสียงพูดทางต้นทางว่าโยมโยมพรานบุญฟังอยู่ก็รู้สึก ง, งงนิดนึงขอรับขอรับตอบรับไปในทีแต่ก็ยังไม่เปิดประตูโบทออกหิวหรือเปล่าอั ต, ตมาเอาข้าวที่เหลือมาให้นะ่ะพรานจะตอบไปว่าไม่หละขอรับหลวงพ่อกระผมทานแล้ว เมื่อย็นหลพ่อกรถามกระผมไปรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือขอรับอ๋ออัตมากลัวโยมจะหิวรอบดึกนะแต่ว่ายมไม่หิวแน่นะไม่ละขอรับขอบพระคุณมากขอรับพรานต่อไปการสนทนาที่แสนจะอึดอัดที่สุดในชีวิตของพรานบุญสิ้นสุดลงแกสลัดความว้าวุ่นออกจากหัวก่อนที่จะซุดตัวลงไปดอนต่อเวลาผ่านไปนเนิ่นนานกอกกอกกอกกกกกเสียงประตูดังขึ้นอีกครั้งวะ แกสะบัดในใจแต่ก็ไม so. yeah. anyway, really? hmm. ่ยอมตอบลุกขึ s <S <S 2>. <S 2> ้นนั่งในทันทีกอกกอกกอกกอกกอกกอกโยมโยมแกไม่ตอบแกได้แต่นั่งฟังนิ่งๆิ่งกอกกอกกอกกอกเสียงประตูดังระรัวทียิบยิ่งขึ้นและค่อยๆเร่งดังขึ้นดังขึ้นและก็ดังขึ้นปึ้งปึ้งโยมโยมปึ้งโยมเปิดโยมเปิดบัดนี้มันไม่ใช่เสียงการเคาะอีกแล้ว แต่มันเหมือนกับการพยายามที่จะพังเข้ามามากกว่าภายในอากาศที่ชุ่มชื้นหลังฝนตกแต่ในโบสพลานบุญกลับรู้สึกร้อนรุ่มเหงื่อเม็ดโตผุดไหลหยดเต็มหน้าเต็มตัวฉิบหายแล้วกูสวยแล้วแกสสบดออกมากับตัวเองด้วยอารมณ์ที่คาดเดาได้ไม่ยากดวงตาฉายแววความหวั่นหวนั่นพร่านทึงต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้ายิ่งนักแต่เสียงข้อประตูนั้นเงียบไปแล้วและมันก็เงียบจนน่ากลัวบัดนี้มันเงียบยิ่งกว่าตอนที่อยู่คนเดียวซะอีก แกได้ยินแม้กระทั่งหัวใจของตัวเองเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบพยายามข่มความกลัวไม่ให้พุ่งพลานแกไม่ขอนอนอีกต่อไปแล้วนั่งฟังความเคลื่อนไหวภายนอกอย่างใจจดใจจ้องหูของแกได้ยินเสียงเดินย่ำไปย่ำ ม, มารอบๆโบสถใช่แล้วสิ่งที่อยู่ภายนอกมันพยายามจะหาช่องทางที่จะเร้นกายเข้ามาอย่างภายในโบสให้ได้ปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งหน้าต่างของโบสถูกเคาะดันาว ไล่ตั้งแต่หน้าต่างบานแรกมายัางบานที่สองไล่เข้ามาเรื่อยๆเหมือนจะสร้างความสนกให้พรานบุญอยู่ไม่น้อยแกจึงรีบวิ่งขึ้นไปตรวจตาหน้าต่างบานอื่นๆภายในบสถอย่างทันทีทุกอย่างเงียบไปอีกครั้งเวลาตอนนั้นผ่านไปเท่าไหรไม่รู้แต่พรานบุญกลับรู้สึกว่ามันเนิ่นนานเป็นชาติเลยแกขยับตัวมานั่งกลางโบสถ์เลียวซ้ายทีขวาทีอย่างระแวดระวังแล้วก็ระแวงกุกกุกกุกุกกุกคลุก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆุกๆๆ คราวนี้เสียงมันไปดังอยู่บนหลังคาโบสถ์นรกเอ้ยกูไปทําอะไรให้มึงวะเนี่ยพรานบุญถามไปอย่างไม่ต้องขอคําตอบพรานบุญเลยแงหน้าขึ้นไปดูตอนนั้นก็มีมือของสัตว์ใหญ่แต่กุยต่กายอยู่บนหลังคาโบสถ์นั่นก็เบื้องด้านบนลนลงมากเกลี้ยกล่วพรานบุญถึงกับตาข้างตกใจเป็นอย่างมากเสือสมิงแกอุทานด้วยความตระหนกสุดขีดแต่ก่อนที่แกจะถูกความบาดกลัวครอบงำจนสติแตกตะเลือดเปิดเปิงนั้นแกก็ได้สติล้วมือเข้าไปใยามคู่ชีพ ล้วงเอาสิ่งสิ่งหนึ่งออกมามันเป็นตุ๊กตาดินเผาปั้นเป็นรูปสัตว์ที่เราคุ้นๆหน้าคุณตากันควายธนูใช่แล้วการที่แกเป็นพรานก็ใช่ว่าแกจะเก่งแค่เรื่องการล่าดักจับสัตว์หรือหาของป่าแต่เพียงอย่างเดียวจำเป็นจะต้องมีดีติดตัวกันบ้างเพราะมันเป็นของคู่กันเศษกระเบื้องหล่นลงเกลียวกราวจนเปิดเป็นช่องโหว่ขนาดแขนของสัตว์ร้ายตัว น, นั้นสามารถล้วงเข้ามาได้แล้วมันร้องคำรามด้วยความหิวกระหาย ขณะที่พรานบุญนั้นนั่งบรีกรรมคาถาอยู่อย่างเร่งรีบและสงบนิ่งไอ้เพือกไอ้เพือกช่วยพ่อด้วยผู้จบแกก็โยโนควายชารูตัวแรกขึ้นไปยังอากาศหน่าแปลกมันไม่หล่นลงบนพื้นตามกฎของนิวตันแต่กลับหายวับไปต่อหน้าต่อตาโมโอ้เสียงของสิ่งที่แกส่งขึ้นไปบรนดังขึ้นใช่แล้วมันกลายเป็นควายสีเผือกตัวโตเขา ง, งงยาวแหลมคม กำลังประจันหน้ากับเสือลายพาดกรอนขนาด8ดศอกบนหลังคาบสถอสังวิสุโลปุสะภุพระณูพุทธายะอันตารโยวินาศสันตุเมื่อบทส่วนบทสุดท้ายจบลงสงครามระหว่างสัตว์ใหญ่ทั้งสองจึงเปิดฉากขึ้นกันอย่างดูเดือดเดือดพรานเศษกระเบื้องตกล่นกระจกระจายเสียงควายเผือกับเสือตัวเข่งเข้าห้ำหั่นประจันบาลกันอย่างดูเดือดเสียงคำรามและเสียงร้องดังประสานกันงงงไปทั่วผืนป่าท่านบุญยังไม่วางใจง่ายๆ หลวงมือก็บริญ่ า, าอีกครั้งคราวนี้เป็นควายทะนูตัวสีแดงไอแดงถ้าไอผึ่งมันพลาดท่าเองต้องช่วยพ่อนะลูกจากนั้นแกก็นั่งบริกรรมคาถาเพื่อปลูกเสกไอแดงควายทะนูตัวที่สองของแกระหว่างที่ปลูกเสกอยู่นั้นแกก็ได้ยินเสียงควายทะนูตัวแรกของแกร้องดังลั่นโม่กับเสียงที่ดังลั่นโครมพร้อมกับปรากฏร่างของควายดินเผาตัวสีขาวล่นลงมาตรงหน้าของพรานบุญระยะไม่ถึงเมตรมันหักครึ่งท่อน เลยย้ำนะมึงพรานบุญได้แต่สะบัดออกมาเสียงของเสือมันก็ร้องจนน่ากลัวแต่ก็ยังไม่ทันได้สะใจกับชัยชนะมันเป็นอันต้องลอยกระเด็นจนตัวลอยเคว้งคว้างก่อนจะหล่นลงกระแทกกับหลังคาบูดอีกครั้งปึ๊ได้ผลควายธนูตัวสีแดงที่พรานบุญเพิ่งปล่อยขึ้นไปเป็นตัวที่สองเล่นงานมันอย่างจังมันสัมผัสได้ถึงความแตกต่างกับควายตัวสีขาวเมื่อครู่พระตูที่สองนั้นเจ๋งกว่าเป็นไหนไหนตากูบ้างแล้วไอ้นรกแก่ร้องตะโกนด้วยความสะใจ หมดสิ้นความเกรงต่อไปเพราะเวลานี้ต้องแลกกันด้วยความกล้าแล้วการต่อสู้ของสัตว์อาคมที่เรียกกันว่าควายธนูกับสางป่าที่เรียกกันว่าเสือสมิงนั้นกําลังดําเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งไอแดงควายธนูตัวที่สองของพรานบุญตัวนี้มันต่อสู้กับเสือร้ายด้วยความมีชั้นเชิงแต่ก็ใช่ว่าจะเหนือกว่าสักทีเดียวเศษกระเบื้องหลังคาโบสแตกล่นเป็นชิ้นและชิ้นน้อยตามแรงกระทะจนเกิดเป็นดูโหวขึ้นมาเรื่อยๆ รานบุญใจจดใจจอ่อจ้องมองเหตุการณ์นั้นยังไม่ยอมคลาดสายตาไม่นานเสือโครงผีก็สิ้นท่าโดนปิดเข้าเต็มๆที่สีข้างลอยละลิ้วตกลงสู่พื้นเบื้องล่างตุบเสร็จกุละทานบุญน้องด้วยความคึกขนองปนเปกับความสะใจเป็นที่สุดเจ้าเสือผีนอนหายใจรัวดีนอยู่กับพื้นควายอาคมไม่รอช้าเตรียมโดดลงจากลังคาโบดหมายซ้ำให้ตายคาที่แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของเสือโครงสมิงนั้นมันรอโอกาสนี้อยู่แล้ว เมือ่อควายอาคมโดดลงมาจากหลังคาโบสถ์เจ้าเสือมารีบถลาลุกแล้วก็ฉากตัวออกด้านข้างเพื่อหามุมโจมตีอย่างรวดเร็วแน่นอนวัตถุที่อยู่กลางอากาศนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถหลบหลีกมันทยานตัวขึ้นสวนทิศ ท, ทางที่ควายอาคมกระโดดลงมามันรวดเร็วเหลือเกินได้ยินเสียงปะทะกันดังสนัน่นทานบุญถึงกับอึ้งพูดอะไรไม่ออกเมื่อเห็นตุ๊กตาควายสีแดงกองแกหล่นลงมาตรงหน้าอีกสภาพไม่ต่างจากควายเผื่ตัวแรก มันหักเครื่งท่อนเช่นกันแรกแรกแรกเสียงดังมาจากบนหลังคาบูดอีกครั้งหนึ่งสมีพลายนรกมันพยายามจะเข้ามากินแกด้วยความเคียดแค้นไม่มีเวลาแล้วเป็นไงเป็นกันวะแกลู้มือเข้าไปในย่ามอีกครั้งหยิบควายชะลูตัวสุดท้ายออกมาแกนึกถึงคำที่พ่อบอกสมัยที่เพิ่งได้รับการปลูกถ่ายวิชาให้ว่าถ้ามีถึงเวลาหรือคราวจําเป็นจริงๆแล้วก็อย่าปลุกควายตัวนี้เด็ดขาดเพราะนั่นคือ แกต้องแรกกับจำนวนชีวิตที่แกเหลืออยู่ถึง9ปีและตอนนี้แกคิดว่าถ้าหากไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นตอนไหนวะเพราะหากยังบัวกลัวว่าอายุจะถูกทอนลงไป9ปีจนถึงกับยอมทิ้งชีวิตทั้งชีวิตใหตุเสือจะรกระยำตัวนี้มันกินอะไอ้ดำช่วยพอด้วยลูกเหลือแต่เองแล้วช่วยพอด้วยแกรีบท่องบริกรรมคาถาเป็นครั้งสุดท้ายเนื้อพันด้วยวิชาที่ร่ำเรียนมาทั้งชีวิตสวดคาถาหลายร้อยคาบเท่าที่จะจําได้ เพื่อปลุกเสกใส่ควายทะนูตัวสุดท้ายของแกอย่างหมดไส้หมดพุงจากนั้นก็โยนขึ้นไปบนกลางอากาศโมเสียงควายทะนูตัวสุดท้ายได้ดังลั่นขึ้นเสือสมิงถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจบนหลังคาโบสถ์ปรากฏร่างควายตัวสีดำทะมึนตัวใหญ่มากกว่าควายทะนูสองตัวแรกถึงสองเท่าตามลําตัวควายสีดําดินตัวนี้ปรากฏอัครยันร้อย8เป็นสีแดงเพลิงและที่น่าตื่นตาไปกว่านั้น ที่เขาสองข้างนอกจากจะยาวแหลมแล้วและใหญ่อย่างน่ากลัวมันยังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟอาคมที่ร้อนแดงดวงตาแดงกำ่ำหายใจฟืดฟานจดจ้องไปยังเสือสมิงอย่างดุร้ายเจ้าเสือได้แต่ร้องขู่เสือร้ายคำรามคมหวังให้ฝ่ายตรงข้ามกลัวปึกผิดถนัดเพราะคําตอบที่ได้รับคือการขิดอันทรงพลังและรุนแรงส่งผลให้เสือร้ายลอยกระเด็นสูงจากพื้นหลายซองก่อนร่วงลงบนหลังคาบนอีกครั้ง โคมมันบาดเจ็บซ้ำสแต่ทว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งแรกหลายเท่าเลือดไหลนองพื้นหยดลงมาจากลางาังคาบุตปากแผลและขุนมีรอยไหม้เป็นครุ้มถึงกระนั้นมันก็ยังสู้ไม่ถอยกระโจนเข้าจู่โจมอย่างอาฆาตการต่อสู้อันดุเดือรเริ่มขึ้นอีกครั้งเสือร้ายสู้ยิบตาควายอาคมก็เช่นกันผัดกันรุกและผัดกันรับพลวันเสียงการต่อสู้ระหว่างเสือสมิงกับควายธนูนั้นลังสะท้านไปทั่วผืนไทยในยามราตรี เนิ่นนานเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากเสียงการต่อสู้ก็จึงสงบลงและการต่อสู้ก็ยุติลงด้วยควายอาคมร่วงห ล, ล่นมาตรงหน้าของพรานบุญอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่หักครึ่งท่อนแต่กลับมาด้วยสภาพที่สมบูรณ์และที่ปลายเขามีรอยเลือดของเสือร้ายติดอยู่ที่ปลายด้วยรุ่งเช้าแสงแดดสาดส่องเข้าไปยังรอยทะลุของหลังคาโบส์กระทบลงกับใบหน้าของพรานบุญแกรีบยันกายลุก ข, ขึ้น เก็บข้าวของที่วางไว้อย่างไม่รีบร้อนนะักเปิดประตูโบสถ์และค่อยๆเดินตรวจตราบริเวณภายนอกจย่างระมัดระวังคุณพระช่วยเสื้อลายพาดกรอนยาวแปดซอกนอนตายแข็งทื่ออยู่ห่างจากโบสถ์ไปถึง10เมตรโดยสภาพที่ครึ่งท่อนล่างไม่เกรียมตามลำตัวมีรอยแผลที่เกิดจากเขาของควายธนูเบิกวะที่น่าตกใจคือตามลำตัวที่ไม่เกรียมนั้นยังเหลือร่องรอยของผ้าเหลืองของภิกษุรูปนั้นอย่างเห็นได้ชัด ใช่แล้วพระรูปนั้นเป็นเสือสมีนั่นเองต่อไปนี้คงหมดเรื่องหมดราว ส, าสัทีอโหสิธวะพรานบุญพูดก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับประสบการณ์ที่มันจะติดตัวแกไปและก็ยากที่จะลืมเลือนได้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวของพรานป่าคนหนึ่งที่ชื่อบุญที่ถึงตอนนี้แกจะไม่อยู่แล้วแต่เรื่องราวของแกก็ยังคงพูดกันปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นหลานสู่หลาน และก็ยังคงเป็นตำนานให้เล่าสืบต่อกันไปเรื่องหรือเช่นนี้อีกต่อไปและเรื่องราวของตำนานพรานบุญก็จบลงนะครับแต่ก็ขอให้ทุกท่านรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ